โลกสันนิวาสถูกยาพิษที่มีโทษคืออวิชชาเนี่ยนะครับชาบทานหนานแน่นแล้วนะครับมีกิเลสเป็นโทษอวิชชาเนี่ยเคลือบเอาไว้นะอวิชชานี่เคลือบเอาไวนะ้วลไวแล้วก็กิเลสที่เป็นโทษนี่ก็หุ้มห่อปกปิดเอาไว้อยู่อย่างนั้นแหละโลกสันนิวาสรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสาง รบชัดให้แกโลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีใครจะมาชําระสาสางให้อ่ะนะมันคล้ายๆกับว่าโหมีได้อะนะกลุ่มได้อ่ะที่มันพันกันเป็นกลุม่มเป็นปมตะปุ่มตะปานี่ใครจะมานั่งสาสางให้นะครับปัญหาในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีปัญหายุ่งไปหมดเลยนะถ้าเราลองไปนั่งให้ทุกคนเขาเล่าชีวิตของเขาให้ฟังให้หมดนะตั้งแต่ต้น ตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับโอ้จะรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆเลยนะแต่ละคนเนี่ยมันรกชัดใครจะมานั่งสางให้ล่ะครับปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยใครจะสางให้ยกตัวอย่างเหมือนกับในยุคนี้นี่นะครับไปที่ไหนคนก็จะบ่นในเรื่องหนี้สินปัญหาหนี้สินเนี่ยอินงตุงนั่งไปหมดใครจะไปช่วยสางให้ใครจะไปช่วยชําระให้นะครับชาวนาแต่ละหลังคาเนี่ยนะครับติดหนี้กันเรื อ, อนหมื่นเรือนแสนกัน ท่านะธุรกิจมากตอนนั้นก็ติดหนี้กันเป็นล้านๆนะครับันประเทศไทยเนี่ยติดหนี้ไม่รู้กี่ะะร้อยล้านนะครับกเป็นล้านๆนะครับติดหนี้ไม่ใช่ล้านล้านประมาณห้าล้านล้านนะครับเพราะหนี้สินนี่มากมายขนาดนั้นเมื่อมีหนี้สินขนาดนี้ใครจะมาช่วยชําระใครจะมาสะสางอันนี้พูดหนี้สินแบบข้างนอกนะถ้าหากว่าหนี้สินคือราคาหนี้สินคือโทสะหนี้สินคือโมหะใครละ่ะจะมาช่วยสะสางชําระ นี่สินคือกิเลสในจิตในใจให้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโลกสันิวาตอันกองตันหาเนี่ยสวมไว้นะครับเหมือนกับว่ามีม า, มาถมมาทับเอาไว้นะถูกข่ายคือตันหาเนี่ยครอบคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสตันหาประกอบด้วยตันหาสังโยช น, นสังหาสังโยคก็ภูกไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นซานไปตามตัหาอนุัย เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตันหาเร่อร้อนด้วยความเร่อร้อนคือตันหาถูกกองทิฏิเนี่ยสวมไว้นะครับทั้งอุเชททิฏิทั้ง ส, สัตตทิฏิลทัทธิทั้งหลายแล่เนี่ยระบาดสวมเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับบ่วงเลยนะครับถูกสวมไว้ด้วยบ่วงคือทิฏิยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับลทัทธิทิฏิเกิดขึ้นมามากมายมหาศาลนะครับแต่ละแห่งเนี่ยนะครับวัดวัดหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้มีหลายลัทธินะครับวัดวัดหนึ่งเนี่ย ถามเะแต่ละองคพระหลายองค์ไม่มีค่อยเหมือนกันหรอกครับแต่ละองคในีรัฐทีไม่ค่อยเหมือนกันเลยสมณีรูปหนึ่งก็บอกว่าถ้าวัดนี้มีหกสิบองก็หกสิบลัฐที่เขาว่ากันเพราะแต่ละคนนี่ก็คือเจ้ารัฐทีแต่ละรัฐที่เาว่ากันขนาดนั้นนะครับคนละสายคนละสายไปเลยนะมันถูกกองทิธิเนี่ยมันสวมเอาไว้ถูกขายคือทิฐิเนี่ยคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสของทิฐิที่เหมือนกระแสน้ำเนี่ยนะประกอบด้วยทิฐิสังโยชนดซ่านไปเพราะ ทิฏฐานุสัยเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนอเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนคือทิฐิเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนคือทิฐินะครับสรุปแล้วทั้งเดือดร้อนทั้งเล่าร้อนด้วยอํานาจของทิฐินี่แหละแล้วก็ในสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ถูกกิเลสตันหาเป็นต้นครอบคลุมไว้อย่างนั้นก็ยังถูกชาติติดตามอีกถูกชารารัดรึงนะครับรัดให้มันแน่นเข้าไปพยาธิครอบงาํามรณะก็ห้ำหัน่น แล้วก็ตกเข้าไปในกองทุกนะครับทุกไหนครับอบายทุกเปรตทุกเดรัจฉานทุกเป็นต้น น, นะนะแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็เบียดเบียนถูกตันหาเนี่ยดักเอาไว้นะครับเหมือนกับว่าเดินไปตรงไหนก็เรียกว่าตกบ่วงแห่งตันหาเนี่ยครับมันเป็นตันหาเหมือนบ่วงใช่ไหมที่ที่มารก็บอกว่านะท่านเนี่ยไม่พ้นหรอบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์นะนี ไปที่ไหนก็เจอแต่บ่วงหมดเลยครับแต่บ่วงนี่มันน่าติดนะถ้าโดยทั่วๆไปแล้วนะครับฟังตอนฟังเทศฟังธรรมแหมมันกลัวทุกกลัวโทษไม่น่าติดเลยพอฟังเสียงดนตรีขึ้นมาแววหนึ่งเข้าไปนะครับแม่ไม่บ่วงอย่างนี้รู้อย่างนี้ติดสั้นนานอย้งนั้นยินดีเอาบ่วงมาคล้องหูมาคล้องตาคล้องจมูกคล้องลิ้นคล้องกายคล้องใจ ย, ยินดีนะครับ นะยังบอกนะนะบางเจ้าก็บอกว่าโซ่ทองอะไงี fall, so ้ยนะยังขนาดนั้นนะครับนะโซ่ทองคล้องใจผูกพันระวังใครกับใครก็ผูกถูกผูกไว้อย่างนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นแม้แต่โซ่ก็ยังสำคัญว่าโซ่ทองนะครับถึงจะอยู่ในกรงก็ยังสำคัญว่าฉันอยู่ในกรงทองนะหังนั้นนะครับขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงคือชรานะครับจะลืมอะไรก็ลืมนะครับ แต่แกไม่ลืมเราแน่นะครับใครจะลืมตัวลืมอะไรก็ลืมไปเถอะครับแต่แกไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปก็ไหลเข้าไปหาความสุดทสมความชารุดสุดโสมนะครับถ้าเก็บภาพถ่ายรายปีเอาไว้นะจะเห็นว่าโหแต่ละปีนี่คลณภาพคลณภาพคลณภาพกันนะครับเดินทางไปสู่ความแตะค้ามแก่นะฮะเพราะนั้นไอ้ความแก่นี่ไปไม่พ้นเพราะมันเหมือนกับกําแพงเนี่ยนะที่มาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ถูกบ่วงของมัจจุราชเนี่ยคล้องเอาไว้ด้วยนะบ่วงแห่งมัจจุราชหมายว่ามันมชุดไปหาความตายอย่างเดียวนะเหมือนสมมุติเราเหมือนคนถือดาบแล้วก็แกว่งบ่วงไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปสวมคอใครเข้าก็กระชากหรือกระตุกออกมาแล้วก็ตัดหัวฉบนะครับมันก็คือพวกความตายทั้งหลายแล่นั่นนะครับอับปัจจัยของความตายนั่นเองนะครั บ, บทีนี้ต่อไปนะครับว่า ถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากนะครับยังก็ถูกผูกอีกนะถามว่าเครื่องผูกคือราคะผูกเอาไว้เครื่องผูกคือโมหะเครื่องผูกคือโทสะเครื่องผูกคือมานะเครื่องผูกคือทิฏฐิเครื่องผูกคือกิเลสเครื่องผูกคือโทุจริตนะครับถูกผูกไว้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ถามว่าเออใครอื่นนอกจากเรานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่นะผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีนะครับ ผู้ผูกขาดนี้นะถ้าพราะองค์ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยวังเงินโลกสันนิวาตเดินไปตามทางแคบมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชีย้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีอันชีวิตเนี่ยก็เดินไปสู่ความแคบตลอดนะสังเกตดูสัตว์โดยมากนะเดินไปสู่เรียกว่าเดินไปสู่ปัญหาที่สะสางยากมาก น, นะดูวิธีการวางแผนชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนนะครับ เดินเข้าไปสู่ทิศทางที่ตัวเองยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะครับปีแรกก็พอแก้ได้ปีสองก็ลึกเข้าไปเรื่อยปีสามปีสีปีห้าหนักนักเข้า ส, สางปัญหาไม่ได้เลยนะครับอินดวงตุงนังไปหนดมันแคบยิ่งกว่าแคบใระหว่างนั้นจนะมันจะแคบไปเรื่อยอึดอัดแม้แต่กุศลยังเกิดยากเลยนะครับในท้ายที่สุดแล้วแล้วก็ติดเล่าติด อาญาเสติดและต่างๆแล้วปรากฏว่าถอนตัวไม่ขึ้นแคบในปัจจุบันในชานะครับครับก็ถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อถอนตัวไม่ขึ้นทําไงครับในที่สุดก็ตายแบบตราบาบเต็มตัวเลยนะครับหนักนาสาหัสก็ฆ่าตัวตายนะครับบางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บต า, ตายตายแบบทุกข์ทรมานในระหว่างนี้บางคนก็ติดโรคภัยไข้เจ็บติดเอสดิดมะเร็งติดสารพัดโรคขึ้นมาอีกนะครับมันแคบจริงๆนะครับชีวิตเนี่ยแคบยิ่งกว่าแคบ บอกว่าโลกสั์นนิวาสเนี่ยนะครับถูกความกังวลมากมายผูวพันไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสัต์นนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีปริพเทศนะครับเครื่องกังวลของสัตว์เนี่ยมีมากมายนะครับกังวลถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องถึงกิจการงานถึงธุรกิจทั้งหลายแหล่นี่นะครับโอ้ยมันผูกพันอินุงตุงนางไปหมดเอาใครจะตัดความกังวลให้ นะครับใครที่จะอย่างน้อยช่วยปลุกปลอบช่วยเอาอกเอาใจก็ยังหายากนะครับโดยมากก็มีแต่ซ้าเติมกันซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้เพราะว่าทุกคนก็ b ังวลพอๆกันไปหมดพอกังวลมากๆเข้อาจารย์อยากจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างครับ เ, เพื่อที่มันจะได้ลืมปัญหาผมสังเกตว่าคนทุกวันที่สนใจปฏิบัติธรรมนะเพื่อเขาจะลืมปัญหา ในชีวิตของเขาสักระยะหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันคิดเพื่อจะับไปละกิโลกิเลสอะไรหรอกให้มันเบาๆหน่อยนะส่วนใหญ่ก็เท่าที่ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืออยากจะหนีปัญหาชั่วคราวแล้วจะได้กลับไปต่อสู้ใหม่นะครับแต่เคยคิดไหมไต่อสู้ไปเพื่ออะไรนะถ้าชนะแล้วเป็นยังไงจบแล้วจบยังไงจบอย่างไ ร, จ บ, งไรจบเมื่ออะไรจบยังไงไม่เคยคิดนะครับ แต่แค่ว่าอยากจะต่อสู้นะครับสังเวียนอันนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับสังเวียนไก่เหมือนกับไก่ที่มันจิกตีกันโดยที่ไม่ได้รายได้อะไรเลยตั้งเจ็บตัวฟรีด้วยนะครับขึ้นไปต่อยขึ้นไปเฮออ้เดี๋ยวถ้าเจ็บมากๆเดี๋ยวขอเยียวยาเลียแผลอีกนิดนึงเสร็จแล้วพักเดียวก็ไปต่อสู้ใหม่แต่ต่อสู้เสร็จก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับครับเหมือนเราอยู่ด้วยคนหนึ่งครับทีนี้ต่อไปบอกว่าโลกสันนิวาสนี่นะครับตกลงไปในเหวใหญ่ ใครอื่นนอกจากเราผู้ bullied, จะฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากเหวนั้นได้เป็นไม่มีเช่นเหวแห่งโลภะเหวแห่งโทสะเหวแห่งโมหะเหวแห่งกิจการงานทั้งหลายแลนี่นะครับมันขึ้นยากนะครับอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับพระภิกษุที่ถ้าหากว่าบวชแล้วก็ไปศึกษาลาเพศเนี่ยนะโอ้จะพูดว่ากลับมาบวชใหม่เนี่ยนะครับยากมันเหมือนกับตกลุมที่มันลึกใหญ่โตเลยนะครับยากจริงๆนะครับที่จะมาบวชขนาดมาโยวัดแล้วยังบวชไม่ได้อีกนั่นแะครับ มันเป็นเฮวใหญ่ครับบวชง่ายแต่ก็ศึกไม่ยากครับนะครับบวชไม่ยากศึกง่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแน่ใจนะว่าได้บุญครับแต่ส่วนใหญ่ได้บาปครับครับเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็หายากนักนะครับต่อไปว่าโลกสันนิวาส เดินไปตามทางกันดารมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตนั้นข้ามพ้นทางกันดารได้เป็นไม่มีเนี่ยนะเดินทางไกลไร้สเสบียงเนี่ยนะครับขึ้นเขาลงห้วยผ่านทะเลทรายเป็นต้นเนี่ยนะครับนะถ้าลงน้ําก่อนน้าก็มีแต่จระเข้ขึ้นบกก็มีแต่สัตว์เสือร้ายเป็นต้นเนี่ยนะนะบางที่ก็แห้งแล้งไร้น้ํากินเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องความมาหากันดารใหญ่เหมือนกันทางกันดารมากๆแบบนี้เนี่ยนะ ใครจะทําให้สัตว์เหล่านั้นพ้นพ้นจากห่วงแห่งกันดารเหล่านี้ทางกันดารเหล่านี้ไปได้โลกสันนิวาตเดินไปในมหาสงสารมหาสังสารวัฏนะครับคือสังสาระคือขันธาตุอายตนะนี่นะมันใหญ่เหลือเกินเหล่านั้นใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตกลิ้งเกลือกอยู่ในลมใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุด โลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากลมใหญ่ได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตติดอยู่ในเปลือกตมอันกว้างใหญ่เปลือกตมคือกามทั้งหลายนี่นะครับใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้เป็นไม่มีนะครับนะกามนี่มันเหมือนกับเปลือกตมที่มันใหญ่มากนะครับมันเข้าไปแล้วมันก็เปื้อนสกรปรกเลอะเทอะเนี่ยนะแล้วโก ไม่ใช่ล้างออก ง, ง่ายนะครับมันมีกลิ่นติดตัวเลยนะครับโลกสันนิวาสลุกโชนด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความตายแล้วก็เศร้าโศกเสียใจนะครับปริเทวะทุกขโทมนัทและอุปาญาตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาสได้เป็นไมน่มีมันพอ ฟังพุทธพจน์เหล่านี้ก็ทำให้นึกว่าเออคําสอนของพระ อ, องค์นี่เป็นไปเพื่อดับไฟคือราคาโทสะโมหะของเรานะนะครับโลกสันนิวาทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาดยาต้องกระทาตามอาดยานะครับทุกคนนี่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนก็เดือดร้อนกันซะส่วนใหญ่เดือดร้อนร้อนรนทุรนทุรายนะครับนั่งนิ่งนิ่งสเสวยแต่สุขอย่างเดียวหาได้ยากนักนะครับโลกสันนิวา ถูกเครื่องผูกคือวัตตะผูกมัดไว้ปรากฏที่ตะแลงแกงใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีเหมือนกับคนที่นะครับถูกประหารรายบุคคลเนี่ยนะใครจะช่วยแก้ให้เขาก็ทุกคนเนี่ยมันเดินเข้าไปหาตะแลงแกงทั้งนั้นเลยอยู่ที่ตะแลงแกงปรากฏอยู่บนความตายไม่ใช่ว่าอยู่บนรถบนเรือบนเครื่องบินแล้วจะพ้นจากความตายเพราะสถานที่ตะแหงก็คือตะแลงแกงที่ประหารชีวิตของสัตว์ตรงไหนบ้างครับที่สัตว์ไม่ตาย ใช่ไหมโดยเฉพาะในป่าของเราสัตว์ก็ยังมาตายนะครับตาผมนี่ยังมีมแมลงบินมาตายเลยเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งก็เป็นเหมือนกับสถานที่ประหารนนะตะแลงแกงอันเนี้ยนะครับโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับกรุณาอย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราจะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาตได้เป็นไม่มีแกะนะนะครับมันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่อะไรซากอย่างเลยนะครับ โลกสันิวาสถูกทุกครอบงำถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลนานโลกสันิวาสติดใจกระหายอยู่เป็นนิดนะครับกระหายตลอดเลยนะไม่อิ่มหรอกครับถ้าคนที่ไม่เจริญสมถะได้ดีจริงๆก็ไม่อิ่มโลกสันิวาสเป็นโลกมืดไม่มีจักสุนะครับก็มืดไม่มืดนะครับลืมตาเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับมีแสงมีสีเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นอริยสัจอยู่ดี นขนาดฟังแล้วก็ยังมองไม่เห็นเลยนี่แหละครับมันมิดมึดมิดแบบนี้นละครับไม่มีจักสู่หรือว่าโลกสันนิวาตมีในตาถูกทำลายแล้วเพราะไม่มีผู้นำนะครับไม่มีนายกนะครับขาดผู้นำคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานำทางไปโลกสันนิวาสเล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยนาพาโลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มี คือสมัยนี้สมัยที่มีรถมีเรือเนี่ยนะครับทุกคนฟังแล้วก็จะสบายเพลินๆเฉยๆแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนี่ยถ้าได้หลงทางแล้วนะครับก็ยากเหมือนกันที่จะหลุดออกมาได้เพราะว่าถ้าเดินผิดเข้าใจทางผิดก็จะไปเรื่อยๆๆๆก็ไม่มีคนถามด้วยนะครับสมัยนี้ก็ค่อยยังชั่วถนนหนทางรถเรือนี่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าสเทียบเป็นสมัยนี้นะครับเดินทางวนอยู่ในทางซะมากกว่านะครับ วนเวียนเวียนวนอยู่นั่นแหละโลกสันิวาตแล่นไปในห่วงโมหะใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันิวาตให้พ้นจากห่วงโมหะ น, น, นั้นได้เป็นไม่มีนะครับมันเป็นห่วงเลยนะอวิโชคะอวิชโชคนะโลกสันิวาตถูกทิฐิสองกลุ่มๆนะครับถูกสัสตติทิฐิอุเฉทิฐินี่นะครับกลุ่มรุมอยู่ตลอด โลกสันิวาตปฏิบัติผิดด้วยทุจริตสานะครับพากันทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจโลกสันิวาตเต็มไปด้วยโยคะกิเลสเครื่องประกอบสอย่างนะครับถูกกิเลสเครื่องประกอบว่าสอย่างนี้ประกอบเอาไว้นะครับคือประกอบเอาไว้ในวัตตนนะกายไมโยคะภวะโยค ะ, ะ, ยะทิถโยคะอวิชาโยคะเนี่ยประกอบเอาไว้นะครับประกอบไว้ในภพประกอบไว้ในวัตตนะครับจากวัตต์สูวัตตะอยู่นั่นแหละ โลกสันนิวาตถูกคันธะสี่ร้อยรัดเอาไว้นะครับอภิชากายคันธะเป็นต้นนะนะคันธะคือเครื่องร้อยรัดเนี่ยร้อยรัดเอาไว้โลกสันนิวาตถูกอุปาทานสีนี่ยึดไว้นะครับความยึดถือเนี่ยนะสี่ประการยึดถือด้วยอำนาจการมุปาทานยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิยึดถือด้วยอำนาจของศีลพราะยึดถือด้วยอำนาจอัตตานะครับโลกสันนิวาตขึ้นสู่คติหนะครับพากันไปสู่นรก เดราชานเปรตมนุษย์หรือรเทวดาแต่โดยมากก็อยู่ข้อหนึ่งสอสาส่วนใหญ่โลกสันนิวาตกำหนัดอยู่ด้วยกามาคุณ5คือมีอโยนิสมนัิการก็กำหนัดไปในรูปกำหนัดในเสียงกำหนัดในเกลื่อนรสและโภภาพธาภะโลกสันนิวาตถูกนิวรห้าครอบคลุมเอาไวน้นะครับนะครับมันครอบคลุมจนแค่ ด, ดูนะจะเจริญกุศลแต่ละอย่างก็ยากนะครับเหมือนวันนี้วันพระเนี่ยนะผู้ที่จะมาฟังทำก็นับว่ายาก พรนิวรห้ามมันครอบเอาไว้นะครับครอบแม้แต่จะให้ทานแม้แต่จะฟังทำก็ยังหายากนะครับโลกสันนิวาตเถียงกันด้วยวิวาทมูลหกนะทะเลาะวิวาทกันด้วยอำนาจโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครับโลกสันนิวาตกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหา6นะครับคือตันหามันเกิดเป็นกองว่า ง, งั้นเถอะเพราะมันเกิดใ บ, บในทวารทั้ง6เกิดในรูปกับรูปใบเกิดในรูปใบๆเกิดในเสียงกลิ่นรสโภชพระธรมรมลมเนี่ยใบใบแค่เราว่า ตันหากาย6หรือตันหากองหนะครับโลกสนิวาตก็ถูกทิฏฐิ่6อย่างนี่นะครับกลุ่มรุมแล้วนะครับทิฏฐิที่สำคัญว่าเที่ยงว่าศูนย์เป็นต้นเนี่ยนะถูกทิฏฐิหเนี่ยกลุ่มรุมเอาไว้แล้วก็ซ่านไปเพราะอนุสัย7นะครับแล้วก็ถูกสังโยชน์เนี่ยคล้องเอาไว้ฟูขึ้นเพราะมานะเจด หมุนไปตามโลกธรรมแปดนะครับหมุนโลกธรรมก็หมุนไปตามสัตว์สัตว์ก็หมุนไปตามโลกธรรมนะครับทั้งสุขทุกข์นินทาสารเสริญลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนะครับดิ่งลงเพราะมิชะตาแปดก็ปฏิบัติกันในมิจฉามรักษส่วนใหญ่ด้วยอำนาจมิจชาทิฐิเป็นต้นปัทุสร้ายการเพราะบุรุษโทษ8นะครับปองร้ายการเพราะอาคาตะวถุก้านะครับอาคาตพยาบาทกันพองขึ้นเพราะมานะก้า กำนัดเพราะธรรมะอันมีตันหาเป็นมูลเก้าสายตันหาทําให้เกิดการสแสวงหาเป็นต้นนั่นเองเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุสิบนะครับเศ้าหมองเพราะกิเลสวัตถุสิบคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นน่ะนะกิเลสวัตถุ น, นนะนะเรียกว่าทําให้ศาตว์เนี่ยเศร้ามองมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตะวัตถุสิบนะครับทะเละาะเบาะแวงกันอยู่ไม่เลิกราสักที โลกสันนิวาสประกอบด้วยอกุโสลกรรมบท10นะครับทาชั่วทางกาย3ามทำชั่วทางปาก4ทําชั่วทางใจอีก3แล้วก็โลกสันนิวาสถูกคล้องด้วยสังโยชตสิบดิ่งลงพ่อมิจฉัตสิบนะครับแล้วก็ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุ10บนะครับ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็ได้แก่เช่นทานที่ให้แล้วไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีบุการบูชาไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลการทำดีตับทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลอย่างนั้นเถอะใครจะทำชั่วก็ไม่เป็นไรทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีคุณในดนเนี่ยนะแม้กระทั่งปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าโดยสามไปประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบประกอบด้วยอันตาคาหิกะทิฏฐินะครับ วัตถุสิบก็คือเช่นโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็โลกสันิวาตต้องเนิ่นช้าเพราะธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตันหาร้อยแปนะครับมันช้าจริงๆนะตันหามันร้อยรัดอยู่นั่นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันิวาตถูกทิฏฐิหกสกลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าตอนที่พงค์ตรัสรู้แล้วนะเราเป็นผู้ข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้เราหลุดพ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่หลุดพ้นเราฝึกตนแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกตนเราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้สงบเราโล่งใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่โล่งใจเราปรินิพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพาน แล้วผมก็ปารบต่อไปว่าเราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้สัตว์โลกหลุดพ้นด้วยเราฝึกตนแล้วจะให้สัตว์โลกฝึกตนด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์โลกสงบด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้สัตว์โลกโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์โลกปรินิพานด้วย พระองค์ก็เลยแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับพระองค์ทรงทําการจําแนกโดยอาการ89อย่างด้วยประการชนี้นะครับนี่คือจําแนกมหากรุณาไปในสรรัตว์พสัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะครับด้วยพระมหากรุณาทั้งหลายเหล่านี้นะครับที่กล่าวมานี้เรียกว่ามหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตเจ้านะครับ